b o o กทูสามทรการทำความรู้จักสปอซนาตีสวัสดีค่ะจิวเวสวัสดีค่ะโดเบอร์ด สบายดีไหมคะคุกติกรีคโกซีคุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะปริฮายเตอิสอีโรเปคุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะปริฮายเตอิสอเมริกาคุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ p r i h a j a t ออิ z อาเซคุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะวั e เทเรมโฮเทลสตานู e อเตคุณอยู่ที่นี่นานเท่าไรแล้วคะคาโค g o, o STE เ e TU? ท u คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไรคะคาโคโดโกบูสเตอสตา คุณชอบที่นี่ไหมคะวามเยว์ชทตูคายคุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะอลิสเตตูคายนาโดพุสตูมาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะอบิชิเตเมคคายนี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ ยเลเราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะสวีดีขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างชาไมเย่จะยุทรีอิมัมเจนิกายดูเกเกออุนัดชัรตูลาก่อนค่ะอเด ลาก่อนค่ะนัสวิดเนยแล้วพบกันนะคะ s ซวิดีมอ